โอ้มาเทศต่อจากคลิปนี้ลำบาก <c oughs> <c oughs> คงไม่ดึงดูดความสนใจเท่าคลิปต่อ <c oughs> แต่จุดมุ่งหมายที่พออบุตรเอาคลิปมาโชว์ให้ดูจิตที่มันไหลไหลไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใช่ไหมมันจะไหลไปหาสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ถามว่ามีคนมีหมามีอะไรอยู่จริงไหมไม่มีมีแต่แสงที่เราเห็นนีคือแสงพอเราเห็นแล้วนะมันตีค่าตีค่าไปมีเสียงมีแสงดูแล้วมันคล้ายกับอะไรตรงกับอะไรสัญญาก็ไปผูกแล้วก็ปรุงต่อในขณะที่เราดูอยู่เนี้ยเชื่อหมดเลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าดูแบบนักปฏิบัติดูแบบนักปฏิบัตินะจะเห็นแสงสีเห็นแสงสีถ้าเห็นแสงสีไม่ทันเห็นว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะจิตส่งออกไปไหลออกไปรู้ทันหรือดีใจเสียใจหรือกำลังลุ้นเช่นคลิปล่าสุดคือเวลาดูนะมันเพ่งไปที่จุดจุดเดียวด้วยนะใช่ไหมลุ้นอยู่ว่ามันจะ โชว์อะไรต่อไปไหมก <g arden> <g arden> าร ท, ที่ฝึกแบบรู้ตัวว่าเขาให้ฝึกยังหลุดขนาดนี้ <g arden> จิตเรามันหลุดไปขนาดนั้นทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาล่อเรานี่เขาล่อเรานะเขาเอาคลิปมาล่อเราเนี่ยดูซิว่าจะเราเราจะรู้ตัวบ้างไหมเรายังไปไปซะตลอดคลิปเลยใช่ไหมและในชีวิตจริงมันจะขนาดไหนถ้าไม่ฝึกเลยนะ เราก็ไหลไปตลอดเลยมันคลายใครเคยตกปลาบ้างเคยไมเคยตกปลาไหใครไม่เคยตกปลาดีกว่ามีไหมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งตกปลาเนี่ยนะส่วนประกอบก็คือต้องมีเบ็ดใช่ั้มเอาเบ็ดหย่อนไปเนี่ยปลากินั้มมีแต่ปลาโง่เท่านั้นเองนะจะกินไ่มไม่กินมันต้องเอาเหยื่อใช่หมต้องใช้เหยื่อ ปกติโยมใช้ใช้อะไรเป็นเหยื่อใส่เดือนแต่ถ้าต้องไปซื้อเขานะมันมีเหยื่อแบบปรุงปรุงสีปรุงให้มันดูเหมือนของจริงบางทีก็ทำให้มันลูกดิกลูกดต้องมีเทคนิคด้วยนะคือให้ปลาตายใจให้ปลานี่ตายใจนึกว่าเป็นอาหารจริงๆ ตอนที่ย่อนเบ็ดลงไปเราเรียกสิ่งที่เกี่ยวอยู่กับเบ็ดว่าเหยื่อถ้าปลาเห็นแล้วไม่กินปลาคงเป็นปลาเหยื่อคงเป็นเหยื่อเบ็ดก็เป็นเบ็ดแต่ถ้าปลาเข้าใจว่านั่นคืออาหารแล้วฮุบไปปลากลายเป็นเหยื่อใช่ไหมเราก็กำลังเหมือนกาลังฮุบเหยื่อของโลก หุบอยู่ตลอดเลยแล้วก็หลงหลงโกรธบ้างหลงโลภบ้างหลงในสิ่งที่มันมันไม่มีจริงคิดว่าเป็นเราจริงคิดว่าเป็นเขาจริงคิดว่าสุขจริงจริงคิดว่าทุกจริงจริงแต่ถ้าพระรูปเจ้าท่านเห็นพวกเราอย่างนี้นะท่านจะชี้สุขจริงไหมสนุกจริงไหมถ้าสุขจริงนะมันต้องเที่ยง ของจริงคือของเที่ยงถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้ไม่จริงทุกจริงไหมถ้าทุกจริงทุกต้องเที่ยงถ้าสุขจริงสุขต้องเที่ยงของจริงคือของเที่ยงถ้าของไม่เที่ยงคือของไม่จริงให้ดูอย่างงี้นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็รุนเดี๋ยวก็ฮาเดี๋ยวก็เฉยดูอย่าง <S <S นี้แล้วเห็นว่ามันเกิดดับเห็นมันเกิดดับนะเมื่อกี้กำลังรุนรุนตอนนี้ไม่รุนแล้วใช่ไหมดูอย่า ง, างนี้นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉสุขทุกข์เฉยเฉยเป็นเวทนาเราผ่านการฝึกสติดูกิเลสกันมาแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่มีแค่กิเลสให้ดูอย่างเดียวในในส่วนขเขานำมาทำเนี่ยมันมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างแต่ที่ท่านให้ดู ในข้อที่ให้ดูจิตคือจิตตานุปัสสนานี่ท่านให้ดูกิเลสไม่ใช่ให้ดูตัวจิตตรงๆเพราะว่าดูไม่ได้ภูมิของเราเนี่ยมันดูไม่ได้นมามธรรมที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะถ้าจะแบ่งสี่อันเนียนะ่อย่างเนี่ยแบ่งเป็นสองรวบเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นชุดหนึ่งสู่วิญญาณอีกชุดหนึ่ง แบ่งเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ไอ้วิญญาณเนี่ยกลายเป็นไม่มีกลุ่มใช่ไหมเป็นเดี่ยวๆแบ่งเป็นสองได้วิญญาณนีถ้าถ้าแบ่งเป็นสองนะวิญญาณจะเรียกว่าจิตเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกเคยได้ยินคํานี้ไหมเจตสิกเจตสิกคืออะไรก็คือนามมาทําที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดดับพร้อมจิตเกิดแล้วกลายเป็นคุณสมบัติของจิตดวงนั้น สังขารที่ปรุงมากลายเป็นโกรธ ป, ปรุงเป็นโกรธจิตตรงนั้นคือจิตโกรธสังขารที่ปรุงมาเป็นโลภจิตตรงนั้นเป็นจิตโลภสังขารปรุงเป็นฟุ้งซ่านจิตตรงนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านนี่นะที่เรียกว่าเราฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันคือทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับพร้อมกันนั่นแหละเวลาเราเห็นเนี่ยการเจริญสติแรกๆเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นจิตนะมันมาเห็นคุณสมบัติของจิตขณะนั้น จิตขณะนั้นกำลังมีความสุขก็มาดูที่เวทนาขณะนั้นกำลังโกรธคือมาดูที่สังขารเราดูได้ทั้งเวทนาและดูได้ทั้งสังขารแต่สัญญาเนี่ยท่านยังไม่ให้ดูมันยากเพราะว่าอะไรสัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นสัญญาหลอกลวงมักจะเป็นสัญญาหลอกลวงเช่นเห็นแสงสีแล้วเรานึกว่าเนึกว่าเป็นจริงเป็นจริง เป็นจริงเป็นจังสัญญามันหลอกสัญญามันหลอกคือมันหลอกว่าของไม่สวยเราหลอกตัวเองว่าสวยของไม่งามหลอกตัวเองว่างามไม่หล่อหลอกว่าหล่อไม่ไม่สุขคือมันเป็นทุกข์แต่เราหลอกตัวเองว่ามันเป็นสุขไม่เที่ยงหลอกว่าเที่ยงพวกเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตเนี่ยเที่ยง แต่จริงๆแล้วถ้าจเจริญสติจริงๆจะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าจะไปดูสัญญาเลยจริงๆเล น, นะมันมันดูยากเพราะว่าเรามีสัญญาผิดๆเป็นเพี้ยนอยู่สัญญาจะคอยจะหลอกมีมีนักเขียนอยู่คนหนึ่งนักเขียนวานนี้ใครใครคุยกับนักเขียนบ้างใครคุยกับคุณแอสตันบ้างาแตน่นักเขียนคนนี้นะไม่หนุ่มอย่างคุณแอสตันนักเขียนคนนี้เนี่ย อายุมากแล้วแต่ว่าสร้างชื่อมานานจนมีลูกศิษย์เยอะนักเขียนมีลูกศิษย์ได้นะใช่เป็นเหมือนเป็นกวีเวลาเขามีสำนวนดีๆเนี่ยลูกศิษย์ก็จะชอบที่จะไปเรียนวิธีเขียนวิธีแต่งนิยายคนนี้เนี่ยพอแก่ตุ๊บแก่ตัวลงเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ผัดเปลี่ยนกันไปดูแลเพราะว่าพอแก่เริ่มแก่ตัวนี่ก็ชัก จะต้องมีคนคอยดูแลเผื่อว่าเดินไปอาจจะพอเดินได้แต่ว่าต้องคอยระวังเคยใครเคยดูแลคนแก่บ้างมีไหมเพราะว่าคนแก่อาจจะพลาดได้ใช่ไหมหรือใครต้องถึงขั้นต้องให้คนอื่นดูบ้างมีไหมนักเขียนคนเนี้ยพอเริ่มแก่ตัวลูกศิษย์ก็ประชุมกันบอกว่าเราจะต้องผัดเปลี่ยนมา มาคอยดูอาจารย์ก็ผัดเปลี่ยนกันมาถึงคราวครั้งหนึ่งลูกศิษย์ที่เป็นแบบอ้นกุฏิต่างๆเนี่ยไม่ค่อยว่างเหลือแต่ลูกศิษย์ที่มาใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่มันเป็นเวรที่ต้องเวรไม่ถึงว่าถึงวาระถึงวาระที่จะจะมาต้องมาเป็นคนนี้มาดูแลนักเขียนนักเขียนคนนี้นะนะ นอกจากจะเขียนหนังสือเก่งแล้วเนี่ยยังมีฝีมือด้านการทำอาหารด้วยเขียนก็น่าอ่านทำอาหารก็น่ากินลูกศิษย์ใหม่ๆคนเนี้ก็เลยพอถึงคาวาระที่จะต้องไปดูก็ไปนักเขียนก็บอกว่าอาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงอาหารจะทำอาหารให้ไอ้ลูกศิษย์คนนั้นก็นั่งรอทำ อาหารมายกมาเสิร์ฟไม่รู้ลูกศิษย์มันไปดูยังไงนั่งดูจริงๆนะอาจารย์ก็ทําอาหารจนเสร็จแล้วก็ยกมาเสิร์ฟให้ด้วยนะแต่พอเสิร์ฟปุ๊บลูกศิษย์ก็เห็นโอ้จานมันไม่ค่อยสะอาดจานไม่ค่อยสะอาดมันมีคราบอนี้ด้วยความเกรงใจนะจะบอกว่าจะพูดยังไงจะถามยังไงดูแบบให้หมอดูซอบซอบดูนุ่มนวลก็เลยอาจารย์ครับ จานนี้สะอาดแล้วเหรอครับ uh huh. คือไม่บอกตรงๆใช่เป็นคำถามไปอาจารย์ครับจานนี้สะอาดแล้วเหรอครับอาจารย์ก็ตอบว่ามันก็สะอาดเท่าที่น้าใสจะทำได้สำนวนดีไหมลูกศิษย์โอ้โหยอมสำนวนนี้หยาดเยิมชั้นหนึ่งเลยอโอเคเรียกว่าแก่แล้วไม่ทิ้งลาย แกแล้วไม่ทิ้งลายยังมีสัมบัติสัมโนนยอมยอมกินกินกินมื้อกลางวันอาจารย์บอกมื้มอกลางวันเดี๋ยวเราเลี้ยงอีกคราวนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำทำได้หลายอย่างนะฝีมือก็ดีก็ยกมาไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไม่รู้มันคงไม่ทํางานอะไรเท่าไหร่นะ้ำดูจริงๆรนะิงถึงวาระให้มาดูก็ดูจริงจรนะอาจารย์ก็ทําเสร็จก็ยกมาลูกศิษย์ดูอาจารย์ครับเห็นยังมีคราบนะ อาจารย์ก็มือเช้าก็ไม่ค่อยสะอาดนะมือกลางวันก็ดมูมีคราบอยู่นะอาจารย์ครับชามนี้สะอาดได้เหรอครับอาจารย์ก็บอกว่ามันก็สะอาดเท่าที่น้ำใสจะทำได้ย้าคำเดิมอีกนะรู้ศิ ก, ก็ยอมอีกโอ้อาจารย์นี่สำนวนถ้าบอกอย่างนี้ต้องยอม <laughs> เจอสำนวนอย่างนี้ต้องยอมแต่มือเย็นไม่เอาแล้ว <laughs> บอกอาจารย์ครับเดี๋ยวมือเย็นผมเลี้ยงไปกินข้างนอก ด, อดอีกว่า ไปกินข้างนอกอาจารย์กได้ได้ไ ด, ได้เราทําเลี้ยงสองมือแล้วเธอจะเลี้ยงมือเย็ยนบ้างก็ไดไ้พอถึงเวลาจะออกไปกินข้างนอกก็ชวนอาจารย์ขึ้นรถพอขึ้นรถจะถอยจะถอยรถหมาของอาจารย์ก็นอนขวางถอยไม่ได้อาจารย์ครับผมไม่กล้าไล่หมาอาจารย์นะครับหมายถึงหมาของอาจารย์นะไม่กล้าไล่หมาของอาจารย์นะครับ อาจารย์ช่วยไล่ทีครับอาจารย์ก็จะโงกนั่งรถแล้วนะจะโงกไปแลอ๋อน้ำใสไปเข้าใจไหมตอนที่ฟังน้ำใสครั้งแรกเนี่ย <c oughs> สัญญานึกถึงอะไร <c oughs> น้ำจากกอกอย่างนี้ใช่ไหมน้ำใสอย่างนี้เลยใช่ไหมออเราถูกสัญญาหลอกอาจารย์หลอกเปล่า ไม่ได้หลอกอาจารย์ซื่อมากเลยบอกน้ำใสมันทำได้แค่นั้นใช่ไหมน้ำใสทำได้แค่นั้นถ้าเราเป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นนักนักปฏิบัติหน่อยนะโกรธหมาไหมตอนนั้นจะรู้สึกยังไงเจ็บใจหรือว่ารู้สึกว่าดีจังเลยดีใจวันนี้ได้เป็นครอบครัวเดียวกับอาจารย์แท้ๆเลย <c oughs> ได้กินร่วมสําหรับ กับสัตว์เลี้ยงของท่านได้กินร่วมสำรับกับน้ำใสดีใจัหมไม่ดีใจรู้สึกว่าตกใจใจเสียไปเลยใช่ไ้มโอ้เรานี่กินน้ำลายหมาไปแล้ว <S <S ถ้าไม่รู้ทันถ้าไม่รู้ทันนะก็จะเจ็บใจเผลอๆอาจจะโกรธอาจารย์ด้วย <S <S ทำไมไม่บอกสติเด็ดตั้งแต่ตีแรก <S <S 1> <S 1> นี่คืออนุภาพของสัญญาสัญญามันหลอกหลอกองี้นะ มันมีคำว่าน้ำใสสัมผัสเข้ามาที่หูจิตแปลค่าไปทาบเอากับความจำเดิมว่าน้ำใสหมายถึงอย่างนี้น้ำใสม่ถึงจริงมันมักจะแปลผิดท่านจึงยังไม่ให้ดูตัวสัญญาสัญญามันจะหลอกนะเวทนาเวทนาดูได้เวทนามีกี่อย่างมีกี่แบบอันนี้น้ำขิงไม่ใช่น้ำใส เวทนามีเท่าไหร่ฮะอ๋ออ๋อออออกแล้วสอมีเท่าไหร่มีเ allora> ท่าไหร่อาจารย์ว่ามีเท่าไหร่อ้าวข้อกอข้อกอเนื่องเดี๋ยวอาจารย์ต้องตอบคําถามบ้างไหมีแต่ออกข้อสอบก็ใช่ไหมข้อกเวทนามีสามข้อขเวทนามีห้าข้อคอเวทนามีหก อ่ะตอบข้องอถูกทุกข้อฮะหรือเอาข้อข้องงก็ได้แล้วก็จอถูกทุกข้ออ่ะใครตอบข้อกอมีสามใครตอบข้อขอมีห้าใครตอบข้อคอมีหกใครตอบข้ององงมี่ไหมงงก็ ได้คะแนนแล้วนะคนงงแล้วบอกว่างงได้คะแนนแล้วรู้ความจริงว่าตัวเองงงอยู่ถูกทุกข้อเวทนามีสมได้อะไรบ้างสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเวตนามีห้าได้ไหมได้สุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจหรือเฉยเฉยเป็นหได้ไหม สุขทางกายทุกข์ทางกายเฉยๆทางกายสุขทางใจทุกข์ทางใจไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆทางใจจะแบ่งเป็น18ปก็ยังได้นะได้ไหมได้อะไรจิ้มอะไรแบ่งเป็นสิบเนี่ยต้องคานวณนะต้องต้องเรียนคณิตศาสตร์นะแบ่งเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆ ทางอาญาตนาหอย่างอาญตนา6อย่างมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจคูณสามคือสุขทุกข์เละเฉยๆกลายเป็น18ปอย่างนี้จะดูยังไงดูเห็นอนไนก็ดูอันนั้นแะแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยมักจะมาดูที่เห็นอะไรและชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ยินอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆ ดมอะไรแลเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยนักปฏิบัติมัจะออกมาในแนวว่าประสบกับโลกทางช่องไหนแล้วรู้สึกยังไงบางทีรู้สึกทางเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยบางทีรู้สึกไปทางกิเลสเห็นอะไรแล้วรักหรืออะไรแล้วชังเนี่ยจริงๆมันก็เกิดพร้ อ, รอมๆกันตอนเป็นสุขก็รักมันตอนเป็นทุกข์ก็ชังมัน แล้วแต่ว่าเราจะมีสติรู้ทันเวทนาหรือจะเป็นรู้ทันสังขารมันอยู่ด้วยกันแล้วแต่เราจะมองในแง่มุมไหนแต่สัญญาอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเป็นแบบน้ำใส <c oughs> ครั้งหนึ่งพระอินทร์กำลังจะจัดมหาลสพบจัดมหาลสพบที่สวรรค์กําลังชี้สั่งงานเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ คำสอนของพระเจ้าต้องมากมายเนี่ยถ้าจะย่อๆถ้าจะย่อๆแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยคสั้นๆไหมสําหรับที่จะามาปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงความพ้นทุกข์เพราะนึกถึงตรงนี้ได้โอ้คําถามนี้เนี่ยนะต้องรีบลงมาถามพระเจ้าปล่อยไว้นานไม่ได้เดือดรึมพระอินทขี้ลืมเพราะว่ามีธุระเยอะก็เหาะมาเหาะมาเข้า เฝ้าพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าว่าโดยย่อแล้วว่าโดยย่อแล้วมีไม่ประโยช์สั้นๆที่ปฏิบั ต, ต, ติตั้งแต่ต้นจนถึงพ้นทุกเลยพระุทธเจ้าบอกมีว่าโดยย่อนะจริงๆมีคนถามงี้หลายคนแต่ว่าสำหรับไปอินเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าสัพเพธรรมนานังอภินิเวสายะเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยเหรอ ไม่เคยอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสเลยสัเพธธรมานานังอะพิเนเวสายะท่านอาจารย์ต้องเคยได้ยินเนาะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัเพธธรรมาทำทั้งหลายทั้งปวงนานังอะิเนเวสายะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ไอประโยชน์สั้นๆเลยนะบอกไปปุ๊บเนี่ย ยังไม่รู้วิธีทําทํำยังไงที่จะให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็ให้วิธีทําให้วิธีทํานะให้ไปดูเวทนาตามดูเวทนาเนี่ยข้อดีต่างกาันของการดูเวทนานะเวทนามีอะไรบ้างอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะข้อดีของการดูเวทนาคือมักจะไม่ค่อยมีการแทรกแซง <c oughs> ดูเวทนาเนี่ยนะสุขทุกข์หรือเฉยๆมักก็ไ ม, ไม่ค่อยมีแทรกแซงและเวทนาเนี่ย ในระหว่างสุขทุกข์และเฉยเฉยเนี่ยมีอะไรมากกว่ากันใครว่าอ่ะข้อกอใครว่าสุขอ่ะขกอสุขก็ขอทุกข์ข้อคอเฉยเฉยข้องงงงอีกนะใครว่าสุขใครว่ามีเวทนาสุขมากในชีวิตของเราไม่มีใครตอบเลยใครว่าทุกข์มากใครว่าเฉยเฉยมาก ใครยังงงอยู่ไม่เ อ, อมีอ่ะตอนที่รู้ว่าสุขเรารู้ว่าสุขบ่อยไหมไม่ค่อยมีสุขคนเราเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีสุขเลยเนาะในที่นี้ไม่ค่อยมีสุขเลยเหรอคนที่เห็นว่าทุกข์บ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะทุกข์จนมาเห็นเนี่ยนะมันต้องทุกข์จนถึงขนาดหนึ่งก่อนจะทุกข์จนเห็นเนี่ยนะมันเฉย มันเฉยๆที่เป็นพื้นของเราเลยนะนะคือมันเฉยๆพอรู้ว่าสุขคือเมื่อกี้มันเฉยๆพอรู้ว่าทุกข์คือเมื่อกี้มันเฉย ๆ, ท, ฉยๆทุกปุ๊บเราอยากจะให้มันหายไปมันเลยไม่หายสักทีสุขแล้วอยากสุขอีกไม่สุขสักทีไอตอนอยากสุขอีกเนี่ยมันไม่สุขเข้าใจไหมเวทนาทางจิตนี่ท่านเน้นเวทนาทางจิต เวทนาทางกายเนะี่ยมักจะมีสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ท่านให้ดูเนะี่ยท่านให้ดูเวทนาทางจิตสุขทุกขหรือเฉยๆถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าดูได้จริงสุขทุกหรือเฉยๆก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วดูปุ๊บเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยได้แทรกแสงไม่เหมือนกับการเห็นราคะ แล้วอยากจะแทรกแซงหรือเห็นโทสะอยากจะแทรกแซงหรือเห็นลมดูกายเนะยเวลาเราดูลมหายใจเนี่ยลมจะผิดปกติเวลาจะดรูร่างกายก็จะปรับท่าแต่เวทนาเนี่ยสุขทุกข์เฉยเฉยมันโชว์โชเห็นเฉยเฉยเห็นจริงๆเลยและมันจะเห็นว่ามันเกิดดับจริงๆถ้าใครดูเวทนาได้เนี่ยจะจะใช้เวลาสั้น ถ้าดูได้นะจะใช้เวลาสั้นแต่ถ้าดูดูไม่ได้เห็นอะไรก็เอาตอนนั้นนหะเห็นราคะพอมีราคะเห็นจริงๆแล้วราคะดับเห็นโทสะโทสะดับเห็นโมหะโมหะดับไหมดับไหมดับ <laughs> โมหะก็ดับเพราะว่าไอ้โมหะคือหลงพอรู้คือหายหลงดูอย่างนี้ ถ้าดูกิเลสเหล่านี้นะแล้วดูในท่าทีที่ผิดคืออยากให้มันดับก็จะเผลอไปทำสมถะจะเผลอไปทำสมถะคือไปพูดเกลียกล่อมมัน <c oughs> <c oughs> ไปพูดเกลียกล่อมตัวเอง <c oughs> <c oughs> โกรดอยู่ก็พูดเกลียกล่อมให้มันใจเย็นๆนะเวลามีราคะก็พูดเกลียกล่อมไม่น่ารักหรอกมันน่าเกลียดน่าเกลียด พยายามปรุงแต่งว่ามันไม่สวยไม่งามบอกตัวเองไม่สวยไม่งามมันมีการมีการกระทําแต่ถ้ามันแรงจริงถ้ากิเลสนะั้นมันแรงจริงนะก็ควรทําคือแสดงตอนนั้นเจริญสติไม่ไหวแล้วก็ต้องกลบเกลื่อนมันด้วยวิธีสมถะบ้างให้มันสงบลงไปก่อนมันก็แล้วแต่ว่าจริตของใครหนักไปทางไหนคนที่มีราคะมากก็ ทำอาสุภะบ่อยๆหน่อยใครที่ขี้โกรธก็เจริญเมตตาบ่อยๆหน่อยคนที่มีราคะมากก็ไม่ใช่ว่ามีราคะตลอดก็มีทั้งราคะโทสะโมหะปนปนกันไปแต่นั้นเกิดบ่อยราคะเกิดบ่อยโทสะเกิดบ่อยสําหรับคนขี้โกรธใครใครเจริญกรรมฐานแบบสมถะก็ดูจริตของตัวเองว่าเป็นแบบไหนก็เจริญธรรมะฝ่ายตรงข้าม ส่วนถ้าจะดูแบบวิปัสสนามีมีอยู่แค่สองจริต จ, จริตสำหรับทำสมถะมีถึงหจริตที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลาพระท่านเทศหรือเวลาออกข้อสอบใครใครเรียนธรรมศึกษาบ้างมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีใครเรียนเลยเหรอใครเคยบวชแล้วสอบนักธรรมบ้างัหมมีไหมงั้นก็ข้ามมาถึงเอนตนุนีเลยก็ได้ จริตหกเนี่ยสำหรับทาสมถะเนี่ยนะมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตศัทธจริตพุทธจริตวิตกจริตห6อย่างมันก็มีธรรมที่เป็นคู่ปรับของจริตทั้ง6อย่างเวลาเรียนมักคนออกข้อสอบเนี่ยท่านที่ออกข้อสอบมักจะเอาเรื่องจริตหกน่มาออกข้อสอบเพราะว่ามันเรื่องเยอะแต่สำหรับจริตสำหรับธรม วิปัสนานะีมีแค่2มันง่ายท่านจึงไม่เอามาออกข้อสอบเพราะว่าออกทีไรก็จะตอบได้พอไม่ออกข้อสอบนักเรียนรุ่นหลังๆเนี่ยนะมักจะไปดูข้อสอบก่อนแล้วดูเฉลยใช่ไหมมันไม่มีเรื่องนี้ออกเลยเนทุกๆปีก็เลยมุ่งจะมาดูแค่จริตสําหรับทำมสมถะเลยไม่รู้เลยว่าจริตสําหรับทำวิปัสสนาก็มีเรามักจะเรียนรัดกันใช่ไหมไปดูข้อสอบแล้ว มุ่งไปเอาดูเฉพาะตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เรียนเนื้อหาเพื่อเตรียมจะสอบเชิญถามมาเลยถามอะไรก็ได้ฉันพร้อมหมดทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเรารู้แต่ว่าแง่มุมที่มันออกบ่อย <laughs> ออกฮ ะ, ะอะไรสำคัญแต่รู้ไม่รอบรู้ไม่จริงใช่ไหมมันแค่ว่าอะไรอ่ะเก่งเอาเหมือนเหมือนเกง่งเก่งเอา แลถ้าเก่งและตรงข้อสอบนะก็สอบผ่านมันไม่รู้แบบมีภูมิสมภูมิจริงถ้าสำหรับนักปฏิบัติให้มาสนใจเรื่องจริตสำหรับทาวิปัสสนาที่มีสองอย่างมันมีจริตสองแบบสำหรับคนสองจำพวกคนจำพวกแรกเป็นพวกรักสวยรักงามชื่อของคนกลุ่มนี้เรียกจริตว่าตันหาจริต ชืดูไม่ค่อยน่าเข้ากลุ่มเท่าไหร่เนาะตันหาจริตคือรักสวยรักงามอีกกลุ่มหนึ่งคือคิดมากคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยมีชื่อกลุ่มว่าทิฏฐิจริตดูชื่อไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วเลยพวกเราก็เลยสมัครอยู่ในกลุ่มนี้กันเยอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีตันหาก็มีเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีตันหาอยู่เหมือนกันคนรักสวยรักงามรักสวยรักงามเนี่ย เวลาดูอะไรที่ชอบใจนะจะอยู่กับสิ่งนั้นนาน่นๆชอบตกแต่งเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าถ้าเป็นผู้หญิงจะแต่งหน้านานๆดูกระจกได้นานๆไม่เบื่อดูหน้าตัวเองแล้วไม่เบื่อชอบผู้ชายก็มีนะผู้ชายบางทีแบบดัดผมแล้วก็ต้องเอาเน็ตมาคลุมเอาไว้เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มีอะไร ครีมที่มันทําให้หน้าขาวผ่องอะไรเงี้ยนะบางทีไปเสริมไหมไหมทองมีนะใครทําบ้างมีไหม <laughs> ถ้าเป็นโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนระดับไหนเนะี่ยระดับประถมหรือมัธยมประถมส่วนใหญ่เป็นประถมใช่ไถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็พอสาวๆหน่อยนะ่จะแอบไปทาลิปแอบทาลิปในห้องน้ําเคยทํำไหม <laughs> มีโรงเรียนหนึ่งนะผู้หญิงพอเริ่มวัเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็คือช่วงมัธยมก็รักสวยรักงามไปทาลิปที่ที่จทาลิปแล้วครูไม่เห็นก็คือในห้องน้ำํำทาเสร็จแล้วชอบใจความสวยของปากตัวเองอยากจะประทับรอยปากให้คนอื่นเขารู้ก็จุมพิษกระจกในห้องน้ําเคยทํำไหมไม่เคยทําหรอ มีใครเคยทำบ้างไม่มีแต่มีที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมีคนทำคนหนึ่งนะมันมีลัทีิเอาอย่าง mm hmm. ก็เบียนรอยปากรอยปากทำให้พนักงานทำความสะอาดของโรงเรียน น, นั้นน่ต้องทำงานหนักลิปสติกในกระจกเนี่ยนะที่ติดอยู่กระจกมันเช็ดยากใช่ไหมเป็นไขมันพนักงานก็มาบน่นบ่นกับครูครูก็ไป ส่งต่อไปหาพอ อ, อเคยเคยเจอปัญหาแบบนี้มั้ยถ้าระดับประถมไม่ค่อยเจอพ อ, ออก็เลยเรียกเรียกนักเรียนปากแดงทั้งหลายเข้ามาประชุมในห้องน้ำบอกถึงโทษของการที่มีรอยลิปสติกบนกระจกว่ามันเป็นปัญหาสำหรับคนทำความสะอาดเขาทำความสะอาดยาก อธิบายถึงความยุ่งยากในการทาความสะอาดเด็กนักเรียนก็ดูเหมือนไม่รับรู้ไม่สนใจไม่รับรู้ไม่สนใจพ อ, อ, อก็เลยแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากจริงเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเรียกพนัก ง, งานพนักงานทำความสะอาดมาเอา้าเธอลองแสดงให้ก็ดูซิว่ามันยากขนาดไหนพนักงานทำความสะอาดก็เดี๋ยวค่ะจะแสดงให้ดูก็เอาไม้ม็อบถูพื้น จุ่มลงไปในชักโครกแล้วก็เช็ดยากโหยากถูถูถูถูยากยา ก, ยากตั้งแต่นั้นมาไม่มีรอยอีกเลยสะอาดนี่เรียกว่าใช่อะไรอสุภะปราบราคาจริตมันเป็นคู่ปราบกันนะตอนนี้ พอ อ, อคนนี้เขาค ง, งเรียนกรรมฐานมามัง้งใช้คู่ปรับในการทำยังไงที่มันจะปราบคนเหล่านี้ได้พอคนเหล่านี้เห็นว่ามันสกโปกก็ไม่ทำ mm hmm. เอาไปใช้ได้นะถ้ามีนักเรียนคนไหนทำให้เกิดภาระสำหรับนักทำความสะอาดทั้งหลายใช้วิธีนี้ดู ในโงเรียนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลากหลายครูก็มีหน้าที่แก้ปัญหาเหล่านั้นคอยสั่งสอนคอยใช้อุบายวิธีต่างๆที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เอาไปปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเรามีเราเป็นครูแล้วเนี่ยครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็น ที่มีเกียรติแต่มักไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมมีอาชีพของเราเนี่ยนะมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีคนก็เปรียบเทียบนะตอนวัยรุ่นไม่มีตังค์แต่มีเวลาเยอะมีกําลังเยอะพอวัยทํางานมีตังค์เยอะมีกําลังเยอะแต่ไม่ค่อยมีเวลาแก่เวลาเยอะตังค์เยอะ แต่ไม่มีแรงนี่ก็ว่าทั่วๆไปนะแต่เราเนี่ยบางทีก็ตังค์น้อยแรงก็น้อยเวลาก็ไม่เคยมีใช่ไหมงานของครูเยอะมากใช่ไหมทําอะไรมีรายงานอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งยังยังต้องละเลยไม่ได้คือจุดมุ่งหมายในการทํางานของเราเป้าหมายก็คือทํำยังไงจะพัฒนาเด็กของเราให้มันมีคุณภาพขึ้นมาเป้าหมายตรงนี้นะ คุณภาพตรงนี้ไม่ใช่คุณภาพด้านวิชาการเป็นเป้าหมายแรกนะเป้าหมายแรกก็คือทำยังไงที่จะให้เด็กของเราเป็นคนดีรู้ผิดรู้ชอบเราเองมางทีก็พลาดบางทีก็ต้องเปิดใจความเปิดใจเนี่ยทำให้ทำให้เราปรับปรุงตัวเองได้ง่ายด้วยถ้าเรามาตั้งกำแพงตั้งกำแพง กำแพงตัวนี้ทางภาษาพหุก็เรียกว่ามานะความถือตัวถือว่าตัวเองเป็นครูแล้วเนี่ยนะใครมาสั่งสอนไม่ได้เนี่ยนะตัวนี้จะเป็นกำแพงปิดกั้นทําให้เราไม่พัฒนาต่อจริงๆแล้วถึงเราเป็นครูก็จริงยังมีครูที่เหนือกว่าเราอีกที่รู้มากกว่าเรารู้ดีกว่าเราอย่างเช่นเรามาในคอสนี้ก็ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อหรือเรียนกับ คนที่เขาเคยฝึกมาก่อนเมื่อวานเนี่ยอาจมาฟังเวลาเขาแนะนําพี่เลี้ยงนะพี่หมอเกตเรียกได้งไงพี่หมอเกตตอายุน้อยกว่าเราตั้งเยอะใช่ไหมเรียกพี่อ๋อเป็นพี่ในเรื่องของการปฏิบัติเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงก็คือว่าเขาปฏิบัติมาก่อนนับอายุทางการปฏิบัติเหมือนเป็นพระนะอายุน้อยกว่าแต่บวชก่อนนละยเป็นเป็นรุ่นพี่ นับถือทางด้านการพันในเรื่องของพรรษาในแง่พรรษาอย่างคุณสมเมศเนี่ยจะนับอายุแล้วก็คงน้อยกว่าหลายคนในที่นี้แต่ก็เรียกว่าพี่เนีย่ยเป็นพี่เลี้ยงยเราก็ต้องดูว่าเรามันยังมีแง่มุมไหนที่ต้องพัฒ น, นาต่อพี่เลี้ยงเองก็อย่าไปประมาทก็นะผูุ้ชนสอนผูุ้ชนเป็นพระอรหันต์ด้วยกันมี <c oughs> <c oughs> เชื่อว่ามีไหม ในสมัยพุทธกาลนะมีมีพระนักเทศอยู่องค์หนึ่งพอพอเริ่มแก่ตัวพอเริ่มแก่ตัวท่านก็ปลีกปลีกไปอยู่วัดเล็กๆวัดหนึ่งแล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยในวัดใหญ่เนี่ยก็อยากฟังเทศส่งพระ รูปหนึ่งบอกเธอจงไปหาพระพระองค์นั้นสมมุตินะสมมุติว่าชื่อพระเขมกกะเขมโกเขมโกไปถามไปหาท่านเขมโกเขมโกเนี่ยเป็นพระธรรมกถึกรู้จักธรรมกกระถิ่มั้ยไม่รู้จักเหรอคําว่าธรรมกถึกไม่ใช่ถึกควายทุยนะ <laughs> ธรรมกถึกคือพระที่ เป็นผู้ทําหน้าที่ในการแสดงธรรมมันมาจากภาษาบาลีว่าธรรมกติกะแต่แปลกนะพอเป็นภาษาไทยกลายเป็นธรรมกถึกไม่เป็นธรรมกติก <laughs> อาจจะกลายเป็นกระลอกระแตอะไรพวกนั้นก็ได้นะท่านเป็นพระนักเทศเอางี้ดีกว่านะเป็นพระนักเทศมีแง่มุมในการเทศได้ได้วิจิตพิสดารพระในวัดใหญ่ เป็นปุถุชนพระนักเทศก็ยังเป็นปุถุชนแต่มีแง่มุมในการอธิบายเก่งวัดใหญ่ที่ท่านเป็นนักเทศอยู่เดิมเนี่ยพอท่านเริ่มเห็นว่าเราชักหมดแรงแล้วไม่ค่อยมีแรงขอพักท่านก็ามาอยู่วัดเล็กๆวัดหนึ่งเริ่มป่วยป่วยหนักใกล้จะมดรณภาพพระวัดใหญ่ที่วัดเดิมของท่านเนี่ย ก็ส่งพระรูปหนึ่งเรียกมาบอกว่าสมมติชื่ออะไรดีสมมติว่าชื่อสุมเมโทก็แล้วกันสุมเมโธเธอจงไปหาท่านเขมโกทีไปถามท่านว่าพอทนได้อยู่ไหมดูนะวิธีวิธียั่วให้ท่านแสดงธรรมเรียกพระองค์หนึ่ง ไปถามท่านเขมโกสิว่ายัางพอทนได้อยู่ไหมท่านสุมเมโทโตก็วัดจากวัดใหญ่ไปหาวัดเล็กเนยนะสี่กิโลท่านก็เดินไปตอกตๆตกต ก, ต ก, ต ก, ตกไปถามอาจารย์ครับคณะสงฆ์ที่โน่นเนี่ยสั่งให้ผมมาถามท่านว่าท่านพอทนได้ไหมครับอโอ้เราทนไม่ไหวเวทนามากเหลือเกินเราทนไม่ไหวไปบอกก็นะเราทนไม่ไหว ท่านซูเมโอก็เดินตอกอกตอกตกลับไปข้าแต่สงผู้เจริญท่านเขมโกบอกว่าทนไม่ไหวท่านจรงไปไปถามพิธีว่าที่ว่าทนไม่ไหวเนี่ยเวทนาที่ว่าเนี่ยท่านแยกออกไม่ว่ามันเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันหรือว่าเวทนาในรูปประขัน กลับไปเดินตอกๆๆท่านครับคณะสงฆ์สั่งให้ผมมาถามว่าเวทนาที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในรูปในนามยังไงครับอ๋อถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะถามอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเรามันไม่มีเราในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปบอกท่านอย่างนั้นนะครับอ๋อข้าแต่สงฆ์พูดจเจริญท่านเขียมโกบอกว่า ถ้าจะว่าไปตามตรงแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันไม่มีเราครับในรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่มีเราครับเหรองั้นท่านไปถามอีกทีนะถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่าเป็นพระอารหันต์ท่านเป็นพระอารหันต์แล้วหรอปฏิญาณอย่างนั้นหรือเปล่าเดินตอกตอกตๆท่านครับสงถามว่าเป็นพระอรหันต์นั้นหรอครับไม่ใช่เราตอบไปตามทฤษฎีเราตอบไปตามทฤษฎีแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าถามเราจริงๆเนี่ย เรายังรู้สึกว่ามีเราอยู่เ ร, รู้สึกมีเราอยู่ไปบอกท่านนะครับเดินกี่รอบแล้วเนี่ยเที่ยวละสี่กิโลเดินไปต๊ตอกๆอกตอกตอก็ไปราย ง, งานสงฆ่าแต่สงฆ์พระเจริญท่านเข้มโกบอกว่าถ้าเอาจริงจริงแล้วท่านยังเห็นว่ามีเราอยู่สงฆ์ก็ท่านเห็นเราในไหนไปถามท่านอีกทีนะท่านเห็นเราในไหน ในรูปหรือในเวทนาหรือในสัญญาหรือในสังขารหรือในวิญญาณไปถามให้ดีๆอยากจะฟังอยากจะฟังเดินตอกๆๆท่านครับสงฆ์อยากจะรู้ว่าที่ท่านเห็นว่ามีเราเน่ยเห็นมีเราในรูปหรือเวทนาในในสัญญาหรือในสังขารือในวิญญาณครับพอแล้วสุเมโธมานี่พยุงเราไปดีกว่าไปคุยให้รู้เรื่องดีกว่าดูนะพระป่วยต้องไปแต่ทําไมพระหมู่ใหญ่ในวัดนั้นจึงไม่มา นี่ท่านอธิบายไว้นะว่าที่ไม่มาเพราะว่าวัดนั้นเล็กวัดนั้นเล็กนัมีแค่กุฏิเล็กๆอยู่หลังสองหลังสําหรับตัวท่านและพระ อ, อุปถาถ้าจะให้พระมูใหญ่ในวัดใหญ่เนี่ยมาเพื่อฟังธรรมจากท่านเนียนะวัดไม่พอไม่มีที่นั่งคุยแล้วก็กระต๊อบเล็กๆพระองค์อื่นจะไม่ได้ยินพระองค์อื่นจะไม่ได้ยินท่านเลยต้องเดินอีก4กิโลสมัยนั้นไม่มีรถยนต์เลยนะ เดินมาตามท่านซูเมโตนี่นามสมมตินะมาถึงก็มาอธิบายกันมันไม่มีเราอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่มีเราถ้าเห็นว่าไม่มีเราแล้วเนี่ยไม่มีเราในตรงนี้ตรงนี้อธิบายกันซักฟอกกันนะมันจะมีเราอยู่เหมือนเป็นเงาคล้ายๆกับซักฟอกไปแล้วเหมือนพระเอเหมือนผ้าผ้าที่สศกปกนั่นนะ เราเข้าใจตามความคิดของเราว่ามันไม่มีเราเนี่ยเหมือนสักฟอกไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่มันยังรู้สึกว่ามีจริงๆใจยังไม่เชื่อก็ดูไ่อีกดูไปให้เห็นจริงว่ารูปเป็นยังไงรู้ไปตรงๆเวทนาเป็นยังไงรู้ไปตรงๆสัญญาเป็นยังไงรู้ไปตรงๆสังขารคือความปรุงแต่งเป็นยังไงรู้ไปตรงๆจิตผู้รู้เป็นยังไงรู้ไปตรงๆอย่างนี้ดูไปศึกษาไปอย่างนี้เห็นความจริงอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์ คำสอนของพระพุทธเจ้าดูไปตรงๆท่านก็ถามไปถามกลับมาทดสอบไปทดสอบกันมานะจนสุดท้ายคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นั้นก็อนุโมทนาชื่นชมว่า <S <S <อ>แม่ท่านแสดงธรรมได้ดีจริงๆขออนุโมทนาและขอกราบขอพระคุณที่แสดงธรรมครั้งนี้ทำไมต้องกราบขอพระคุณเพราะผู้ฟังนั้น ฟังไปพิจารณาตามดูตามไปด้วยบรรลุเป็นพระอระหันต์ฝ่ายผู้แสดงแสดงไปดูไปแสดงไปดูไปเป็นพระอระหันต์ด้วยนั <c> ่น <oughs> อย่าดูถูกนะเวลาเราเข้ากลุ่มย่อยนะไปคุยคุยกันนะดิสคัตกันเลยนะท่าซื่อตรงต่อคําสอนนะถ่ายทอดไปตามที่เป็นจริงๆถ่ายทอดไปดูตัวเองไปด้วย อย่าไปไหลยอย่างเหมือนดูโชว์เมื่อกี้ดูโชว์เมื่อกี้ใจไหลไปนะไม่รู้เรื่องเลยตัวเองไหลามาก็ไม่รู้ในระหว่างที่คุยธรรมะกันเนี่ยผู้แสดงก็แสดงไปตามตรงๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้หรือแสดงเอาไว้เปิดเผยเอาไว้ผู้ฟังก็รับฟังด้วยใจซื่ อ, อเปิดใจรับฟังขอรับรู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่ายอย่างไรแสดงมาอย่างไงไม่ใช่จํา ไม่ได้ฟังเพื่อจำแต่ฟังเพื่อเอามาทำเพื่อมาให้เห็นจริงๆท่านบอกว่าให้เปิดใจรู้รู้ซื่อๆรู้ตรงๆรู้ซื่อๆรู้ตรงๆเนี่ยมาจากคำว่าอุชุปฏิปันโนเคยได้ยินไหรู้ซื่อๆรู้ตรงๆอุชุแปลว่าตรงรู้ไปตรงๆปฏิบัติตรงๆด้วยความซื่อตรงซื่อตรงต่อคำสอนไม่ต้องไปปั้นแต่ง ไม่ต้องไปอะไรตั้งท่ า, ากีดกันเวลามีกิเลสนะเราตั้งท่ า, ากีดกันไหมอยากให้มันดับไหมเราไม่รู้ตรงๆใช่ไหมมีราคะไม่รู้ตรงๆงมีโทสะไม่รู้ตรงตรงมีมานะใครเห็นมานะบ้างใครเห็นความถือตัวของตัวเองบ้างใครเห็นหมูกระดาษไหมมานะเนี่ยนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นหมูกระดาษ แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาและเป็นตัวตนจอมปลอมหมูกระดาษเคยรู้จักใช่ไหมก็คือเอากระดาษมาแปะๆปๆปปกลายเป็นหมูแต่จริงมันไม่ใช่หมูมแล้วภายในตัวหมูกระดาษนั้นก็กลวงไม่มีอะไรจริงเลยมันเป็นเพียงเป็นเศษกระดาษมาแปะซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนม า, นนมาแล้วก็ทาสีทาสีทาสีแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นหมู ถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็ขึ้นไปขี่ไปเล่นเรียกว่าขี่หมูหมเราก็มีการสร้างตัวตนอยากให้ใครเห็นเราเป็นอะไรแล้วก็สร้างสร้างตัวตนหลอกๆ ห, หลอกตัวเองก่อนแล้วหลอกคนอื่นด้วยอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นดารา <c oughs> <c oughs> เป็นดาราเนี่ยก็พยายามปั้นแต่งท่าทางดาราเนี่น่าสงสารนะดาราเนี่ยมันจะ มีหมูกระดาษหนาและแข็งมากและพอกจะหนาเตอะเลยเวลาไปไหนนะรู้อยู่ว่าเขากาลังมองก็พยายามทำแอคชั่นเป็นดาราไม่เลิกไม่มีกล้องไม่มีกล้องถ่ายหนังนะไม่มีกล้องวิดีโอภูมกกับสังคัดไปตั้งนานแล้วแล้วก็ออกมาจากจากห้องอะไรห้องบันทึกภาพอะไรนั้นแล้วเนี่ยนะจากโรงถ่ายอะไรนะั้นออกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆก็ยังต้องเก๊ก หน้าสงสารนะแล้วเก็กไม่เลิกเ <ắn ät S 2> ก็กไม่เลิกพยายามปั้นหน้ายิ่งเขารือว่าเป็นคู่จิ้นกับใคร h, ครับเวลาเจอคนนี้ก็พยายามทำท่าสนองตันหาของผู้ดูลำบากแต่ถ้าดาราคนไหนทําใจได้ไม่ปั้นแต่งดาราคนนั้นมีความสุขเพราะอยู่กับธรรมชาติของตัวเองจริงๆไม่ปั้นแต่งไม่สร้างหมูกระดาษ หลอกตัวเองและหลอกคนอื่นเราเองก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสังคมนะเราจะเหมือนจะตั้งท่าเพื่อจะสร้างตัวตนให้คนอื่นดูเราเป็นครูเราก็จะสร้างสร้างตัวตนอันหนึ่งขึ้นมาให้ดูหน้าเกรงขามหรือดูหน้าเชื่อถือเป็นพระเข้าตัวแล้วดิเป็นพระนี่ก็ต้องทําให้ดูเคร่งขรึมให้ดูหน้าเชื่อถือดูไม่มีกิเลส ทังทานที่กิเลสเยอะอย่าเชื่อนะไม่กิเลสเยอะนะถ้าเกิดเห็นนตมาเดินทื่อๆนะนะดูเหมือนไม่มีกิเลสนะันอย่าเชื่อนะกิเลสเยอะแต่ความที่เวลาเข้าสังคมถ้าอยู่ในพิธีการก็ต้องมีบ้างนะก็ต้องรู้จักเรียกว่ากาละและเทศะแต่ตอนที่จะมาดูจเจริญสติจริงๆตอนนี้ไม่ต้องปั้นแต่ง ไม่ต้องหลอกตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไปตามตรงมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไปตามตรงไม่ต้องกลัวว่าตัวเองเลวไม่ต้องกลัวว่าตัวเองไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วมันมีกิเลสเยอะรู้ไปตามตรงนะรู้ไปตามตรงถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะไม่เห็นของจริงและไม่พัฒนาตัวเองได้จริงเราจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อรู้สิ่งผิดกิเลสต่างๆเป็นสิ่งผิดไม่ต้องกลัว ถ้าปฏิเสธสิ่งผิดจะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเลยการพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่ามีความผิดพอรู้สิ่งผิดมันจึงมีการพอรู้ทันทีตอนนั้นนะรู้ปุ๊บตอนนั้นถูกทันทีพอถูกทันทีเริ่มมีสิ่งดีเลยใช่ไหมเริ่มมีสิ่งถูกแล้วเดี๋ยวอ๋อปั้นใหม่มันจะมีผิดอยู่เรื่อยๆผิดอยู่เรื่อยๆนะให้ดูว่าตัวเองผิดอะไรบ้าง เหมือนเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตสอนให้ดูว่ามันผิดอะไรบ้างจิตขณะนั้นผิดไปแล้วมีราคะให้รู้ทันราคาดับไปให้รู้ด้วยจิตขณะนั้นผิดไปแล้วมีโทสะให้รู้ทันโทสะดับไปแล้วให้รู้ด้วยจิตขณะนั้นใจลอยหลงไปแล้วเหม่อไปแล้วมัวไปแล้วให้รู้ทันความหลงความเหม่อความลอยตรงนั้นดับไปแล้วให้รู้ด้วย ไม่รู้นานเลยฟุ้งซ่านไปสเปะ ส, สปะจนหนึ่งรอบแล้วจึงจะรู้ก็ให้รู้ทันว่าตั้งนานเมื่อกี้เนะี่ยตั้งรอบหนึ่งฟุ้งซ่านไปก็ยอมรับจริงๆไม่ต้องไปตีโพตีพายและทําร้ายตัวเองทีหนึงว่าแม่ไม่ทําไมมันแย่จังเลยฟุ้งไปตั้งนานไม่รู้ตัวอะไรทับถมตัวเองอีกให้รู้ด้วยมันมีความรําคาญใจก็ให้รู้ด้ว ย, ยนี่นะรําคาญใจแล้วหดหู่ท้อถอยให้รู้ด้วย รู้ไปตามตรงนี่รู้รู้แบบซื่อๆปฏิบัติแบบซื่อๆรู้ไปตามตรงอุชุปฏิปันโนนี่เป็นเป็นปฏิปทาของภะษาวอกภาษาวกจะเป็นระสาวกผู้เป็นพระสวสดาบันสกิทาคารนาคาเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะรู้ซื่อๆรู้ตรงๆไม่ปั้นแต่งไม่เสียดายตัวเองว่าฉันเลว ฉันไม่ดีอย่างที่ฉันตั้งความหวังเอาไว้หรือฉันไม่ดีอย่างที่คนอื่นเขาหวังไม่ต้องกลัวสายตาคนอื่นแคร์อยู่แค่ว่าเราจะรู้ไหมเราจะรู้ไหมจริงๆแล้วเป็นยังไงเรารู้ไหมถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้นะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นหมดเวลาเหรอหรือว่ามันจะระเบิดตรงนี้นะ ความซื่อในการปฏิบัติตรงนี้สำคัญนะรู้ ซ, ซื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่รู้ไม่มีการพัฒนาตัวเองขึ้นเลยถ้ารู้รู้ต่อไปอีกรู้แล้วบางทีก็ผิดต่อเพราะสิ่งที่ผิดมันจะมีดักรออยู่เรื่อยๆดักรออยู่เรื่อยๆมันมีการมีการปั้นมีการปั้นแต่งไม่ยอมรับคาดหวังอะไรอย่างงี้นะ ปกป้องตัวตนหลายอย่างนะหลากหลายมากมายกลัวเสียหน้ามีไหมกลัวเสียหน้าไม่มีเหรอกลัวเสียหน้ากลัวพลาดจากสิ่งคาดหวังอะไรไนแนทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหมดทั้งปวงรู้ไปตามตรงรู้ไปตามตรง <evet S 1> เพื่ออะไรมันมาอยู่ที่คุณของพระสงฆ์อีกข้อหนึ่ง ยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพ้นทุกมีเป้าหมายในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกถ้าไม่มีเป้าหมายตรงนี้นะการปฏิบัติอาจจะผิดทางเฉัยฉเพื่อเก่งเพื่อเก่งเพื่อที่จะมีการยอมรับจากคนอื่นว่าชั่นเก่งหรือมีที่ยืนในสังคมประมาณนี้ไม่จาเป็นไม่จาเป็น อยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้รู้จริงแล้วไม่มีทุกข์ใช้ได้พระอรหันต์หลายรูปเราไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่มีชื่อเสียงปรากฏในสังคมเลยแต่ท่านไม่แคร์ไม่มีทุกข์เข้าใจไหมแต่คนแคร์อยากจะทะยานตัวเองขึ้นมาปรากฏเด่นในสังคมแล้วไม่รู้จริงเนี่ยนะทุกข์แล้วก็จมไม่ลงถอยไม่ได้ค้างเติงติดอยู่แล้วก็ ถอยไม่เป็นน่าสงสารเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในใจเป็นอะไรก็ได้เปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดผิดจะรู้ <c oughs> ไม่มีการปกป้องตัวตนอะไรสักอย่างเลยไม่มีการปกป้องอะไรขอขอเปิดใจคล้ายๆกับพ่อแม่พ่อแม่เนย น, นะลูกจะทําผิดยังไงเปิดใจรับให้อภัย ใครมีลูกบ้างมีไหมมีลูกกันทุกคนเนาะยกเว้นคนยังเป็นลูกอยู่ตรงนู้นยังไม่มีลูกใช่ไหมแต่หัวใจของพ่อแม่นะลูกจะทาผิดอะไรเปิดใจรับเสมอคนอื่นเขาไม่ยอมรับยังไงแต่ที่บ้านพร้อมเปิดประตูรับลูกเสมออ้อมแขนอันนี้พร้อมที่จะให้ลูกมาซบอยู่เสมอเหมือนกันเราไม่ต้องปกป้องจิต ด, ดวงนี้ว่ามันไม่ผิดไม่ต้องไปปกป้อง แต่รับรู้ได้ว่ามันผิดรับรู้ได้ว่ามันผิดตอนรับรู้ว่ามันผิดนะ่ะถูกทันทีรู้ตั ว, วมันผิดนะผิดหลากหลายมากเลยผิดข้อใหญ่ๆมีห้าเรื่อง ม, ม, ม, ม, ห ม, งมหหีห้าเรื่องมีราคะมีโทสะมีโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหูห้าเรื่องรู้ตรงนี้แล้วมันจะมีผิดอื่นๆเป็นรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะแยะไปหมดเลยทําสมาธิได้ทาฌานได้ติดในฌานก็ยังผิดนะติดสุขในฌานก็ผิด ติดในรูปปัจจานก็มีรูปปราฆะติดในอรูปปัจจานก็มีอรูปปราฆะมันมีผิดอีกถ้าไปเสียดายตรงนั้นนะปกป้องปกป้องตัวตนซึ่งไม่มีจริงก็ยังไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่ยทำไมดูดูเดือดจังเนาะ <laughs> <laughs> พอเข้าใจไหมรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อไม่ยากยากตรงที่ว่า มันคิดปกป้องตัวเองคิดปกป้องตัวเองยิ่งมีตำแหน่งแล้วเอาตำแหน่งมาค้ำคอตัวเองนะยิ่งยากนะฉันจะผิดไม่ได้อัตมาเนี่ยนะประสบการณ์ของตัวเองเลยนะตอนเป็นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยได้รับการสั่งสอนจากครอบครัวว่าต้องเป็นเด็กดีก็พยายามจะเป็นเด็กดีนะก็รักดีด้วยนะไม่ใช่รักเลวนะรักดีแต่มันมีการ ตั้งตั้งท่าอยากให้คนอื่นมองตัวเองดีอยากให้คนอื่นมองตัวเองดีนะแล้วถ้าพลาดเนี่ยจะไม่จะรับตัวเองไม่ได้ไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตั้งมีการมีการสร้างหมูกระดาษว่าเนี่ยเด็กชายกฤีเรียบร้อยพูดจาไพเราะฉลาดปราดเปรืองด้วยผิดพลาดอะไรไม่ได้เลยไม่มีความผิดพลาดอะไรสะอาด แต่พอมันมันเป็นจริงไหมไม่จริงผิดพลาดพลาดได้ถูกตาหนิดได้ไหมได้เพราะมันผิดก็ต้องถูกตาหนิแต่ถูกตาหนิติไรยอมรับไม่ได้มีใครตาหนิอะไรมานะยอมรับไม่ได้ชีวิตตั้งแต่เด็กมาจนจนถึงประมาณมศสอ 3. พอถึงมศสานะเริ่มรู้สึกว่าเครียดมาก เครียดที่จะรักษาตัวเองให้เป็นเด็กดีเลิศประเสริฐสีมาสังเกตเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยนะมันหัวเราะได้ทุกเรื่องมันหัวเราะได้ทุกเรื่องเลยเรื่องที่เราถ้าเป็นเราโดนเองนะเราจะเสียหน้ามากแลวทนไม่ได้แต่มันหัวเราะชักต้องสังเกตมันอะไรของมันเนี่ยเอามันไหเป็นครู เอาเพื่อนคนนี้เป็นครูนะมันหัวเราะได้ทุกเรื่องใครดา่าใครตอนนี้มันมันก็กลายเป็นตลกเริ่มที่จะเริ่มที่จะหัดหัวเราะหัดหัวเราะกับทุกๆเรื่องหัวเราะแรกๆเนี่ยมันก็เวอร์หัวเราะแบบเวอเวอๆจนเรียนรู้ว่ามุมมองในในชีวิตเนี่ยมันไม่มีแค่มุมมองเดียวมันมีมุมมองหลายแง่บางแง่ ถ้ามองแล้วมันเบาๆสบายสบายหัวเราะกับมันได้ก็เริ่มที่จะมองในแง่นั้นบ้างแต่อย่างว่าแหละมันยังไม่ฉลาดก็สุดตรงหัวเราะจนเวอร์หัวเราะแบบแกล้งหัวเราะแล้วก็พยายามหาแง่มุมในการที่จะขำๆกับชีวิตหรือจะคุยอะไรกับคนอื่นแบบขาๆนะก็ออกจะในแง่เด r t y ตี k โจกรู้จักเดอตโจกไตลกแบบสกปรก คำผวนอะไรที่มันไม่น่าฟังก็พูดขึ้มาคิดว่านี่เป็นวิธีทาให้เพื่อนๆหัวเราะได้และตัวเองหัวเราะด้วยมันก็สุดต่งไปอีกทางหนึ่งจากครั้งแรกเครียดระวังตัวเองปอกป้องรูปลักษณ์หรือว่า ป, ปกป้องภาพลักษณ์อ a มเมเวลาคนอื่นมองตัวเร า, เราเให้เขามองว่าเราเป็นคนดี พอคิดจะพลิกก็พลิกจนเวอร์พลิกจนเวอร์ไปมารู้อีกทีก็เพื่อมามาบทเป็นพระตั้งสิบกว่าพรรษาอย่างที่บอกแล้วมาอ่านหนังสือนั่นแหละอ่านหนังสือของหลวงพ่อประโม a นี่แหละอ๋อจริงๆแล้วยอมรับตรงๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นในใจมีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ต้องไปปกป้องตัวเองไม่ต้องไปสร้างภาพว่าฉันเป็นพระดีตอนบทใหม่ๆก็พยายามสร้างภาพว่าเป็นพระดี ตอนนี้ก็พยายามสร้างภาพอยู่เหมือนกันยอมรับตรงๆยอมรับตรงๆว่าตัวเองยั ง, ยงมีไม่ดีอยู่แต่มีไม่ดีเนี่ยนะไอ้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะไอ้ตอนตั้งใจที่จะมีอะไรขึ้นมาโชว์เขาเนี่ยให้รู้ทันตอนเผลอๆนะมันไม่มีตอนเผลอๆไม่มี ตอนตั้งใจจะมีอะไรไปโชว์เขาเนี่ยสร้างทุกข์ให้ตัวเองแหละนี่จากประสบการณ์นะจากประสบการณ์เวลาเรามีอะไรตั้งใจจะโชว์คนอื่นนะมันสร้างตัวตนซึ่งไม่มีจริงแล้วพยายามอยากให้ตัวตนนั้นน่ยอยู่ยั่งยืนซึ่งไม่จริงแล้วก็เสียแรงมากเลยเสียแรงมากที่จะพยายามสร้างตัวตนนั้นให้อยู่ถาวรซึ่งไม่จริงเป็นไปไม่ได้ แล้วก็ถ้าไม่รู้ตรงนี้เราจะไม่ยอมรับความเสื่อมความผิดความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ทุกตลอดทุกตั้งแต่เริ่มสร้างตัวตนทุกขที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกที่พยายามค้าตัวตนนี้เข้มแข็งต่อลาบากนะวิธีง่ายๆรู้สื่อสื่อรู้สื่อสื่อมีอะไรเกิดขึ้นรู้สื่อสื่อเปิดใจรับทุกอย่างอะไรก็ได้ผิดก็รับพอผิดรู้ว่าผิด ถูกทันทีอย่างที่บอกแล้วนะจะตั้งมั่นหมั่นรู้ในสิ่งผิดเพลงนี้ต้องร้องบ่อยๆผิดหลากหลายมากเลยแล้วสิ่งผิดๆจะมีอีกเยอะรู้สิ่งผิดๆไปเรื่อยๆแล้วจะถูกมากขึ้นถูกมากขึ้นถูกมากขึ้นสิ่งที่เคยผิดแล้วจะหลอกเราได้ยากขึ้น <laughs> ถ้ารู้แล้วนะสิ่งที่ผิดถ้ารู้แล้วจะหลอกเราได้ยากขึ้น ทำไมหลอกยากขึ้นทำไมบอกว่าหลอกไม่ได้ยังหลอกได้อยู่พางทีมันเสื่มได้นะความรู้อะไรนี่มันบางีมันเสื่อมได้บานที่มันหลอกเช่นเราเคยดูจอแล้วเห็นมันเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็ไหลามาหาจอถ้าเห็นตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าเห็นเรื่องอื่นๆในจอแล้วจะไม่ไหลมันก็ยังน่าสนใจแล้วก็ไหลไปอีกเข้าใจไหมแต่มันเคยเห็นครั้งนึงแล้วมันเห็นง่ายขึ้นเคยมีคนพูดเหยียดหยามน้ําใจ สิชิ้นอินทาเรารับไม่ได้โกรธรู้ว่าโกรธพอรู้ครั้งหนึ่งแล้วนะพอมันโกรธใหม่รู้ได้ง่ายขึ้นเคยพลาดรักเข้าไปแล้วรู้ว่าเกิดราคะรู้ได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีราคะอีกเลยมีราคะต่อนั่นแหละแต่มันรู้ได้ง่ายขึ้นเมอรลอยทอแท้ทุกอย่างนั่นแหละเกิดได้อีกรู้อีกเกิดได้อีกรู้อีกทุกครั้งที่รู้ได้แต้มหนึ่งทุกคั้งที่รู้ได้แต้มหนึ่ง แล้วรู้เนี่ยไม่ต้องสะสมแต้มให้เท่ากับหลงเช่นหลงไปห้านาทีไม่ต้องรู้อีกห้านาทีเข้าใจัหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องรู้ให้หใหได้ห้านาทีด้วยแค่รู้แว บ, บหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วหลงใหม่มันมีค่าพอที่จะเห็นว่าไอ้หลงก็ไม่เที่ยงและไอ้รู้เองนี่ก็ไม่เที่ยง เป้าหมายของเราไม่ใช่ให้รู้เที่ยงแต่ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ให้รู้ตลอดแต่ให้รู้ว่ามันเกิดดับเป้าหมายนะปัญญาตัวนี้เรียกว่ารู้ไตรลักษณ์สามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใชใ่ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงโดยการที่เราข่มเอาไว้หรือสร้างอะไรขึ้นมาที่มันเที่ยงขึ้นมาไม่ใช่ให้รู้ว่ามันเกิดเกิดดับ โอ้โหอีกแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะมันเกิดดับเกิดดับจิตดวงนึงเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เกิดกิเลสดับไปเป็นเหตุให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์ระดับไปอารมณ์ส่วนใหญ่ของเราก็คือรู้ข้างนอกรู้อารมณ์ข้างนอกรู้อะไรก็ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราสร้างจิตดวงใหม่ที่รู้จิตเมื่อกี้นี้หรือรู้กายตอนนี้จิตที่รู้จิตเมื่อกี้นี้หรือรู้กายตอนนี้เรียกว่าจิตที่มีสติฝึกตัวนี้ให้บ่อย แล้วจิตที่รู้กายหรือรู้จิตเนี่ยมันจะสั่งสมข้อมูลเองสั่งสมข้อมูลเองเกิดเป็นทักษะขึ้นมาว่าสิ่งจริงๆเหล่านี้ราคะโทสะโมหะเป็นสิ่งที่เกิดที่จริงๆเขาจะเลวเขาจะดีเขาจะน่ารักเขาจะน่าชมแค่ไหนไม่จริงสิ่งที่เกิดที่จริงๆคือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจจริงๆอันนี้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยดับทันทีที่รู้มันนั่นแหละแล้วรู้เองก็ดับด้วย ไม่ต้องรักษาตัวรู้ด้วยนะรู้เองก็ดับด้วยซึ่งเป็นไปตามปกติตามธรรมชาติของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะแล้วก็หัดแยกแยะหัดแยกแยะว่าตัวเราไม่มีจริงมันมีมีกายแล้วก็มีใจทันทีที่เห็นกายเป็นยังไงทัน ท, ทีเห็นใจเป็นยังไงนะมันจะเริ่มแยกแยะอยู่ในในตัวของมันเองเลยทันทีที่มีสติขณะนั้น มันไม่มีการปรุงแต่งตัวตนมันก็เลยแยกเป็นสภาวะให้เห็นขณะที่เห็นสภาวะนั้นไม่มีตัวหนุนไม่มีตัวตนอยู่แล้วแล้วจิตก็เรียนรู้ประสบการณ์นั้นโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งสอนจิตเลยไม่ใช่ว่าจงดูนะมันไม่มีตัวตนขณะ น, นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยทันทีที่มีสติจิตเรียนรู้ทันทีเลยว่าเมื่อกี้นี้มีเพียงสภาวะเกิดขึ้นไม่มีตัวตนเลยอย่างนี้นะ แล้วก็ฝึกเห็นจิตไหลบ้างเห็นจิตไหลไปแล้วมีกิเลสบ้างมีวิหารธรรมหาวิหารธรรมของตัวเองของแต่ละคนนะเห็นกายหายใจไปบ้างเห็นกายเคลื่อนไหวบ้างแล้วก็เผลอไปพอมันเผลอไปมันมีการไหลไปเห็นทันตรงนี้เรียกว่ามีสติรู้เห็นจิตเคลื่อนตอนจิตเคลื่อนตอนจิตเคลื่อนเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเพราะเห็นจิตเคลื่อนจิตตั้งมั่นพอดีฝึกอย่างนี้ด้วยนะ ให้เห็นความเคลื่อนความไหลของจิตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือรู้ไปแล้วยินดียินร้ายในผลของการรู้อันนั้นมีสติรู้กายบ้างมีสติรู้จิตบ้างเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างและดีใจมีัหมดีใจฉันเห็นแล้วหรือเสียใจไม่น่ามีราคะเลยเห็นความไม่เป็นกลางเห็นความไม่เป็นกลางหลังจากรู้นั่นอีกรู้แล้วไม่เป็นกลางตอนรู้ว่าไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดี ตอนรู้ว่าหลงรู้พอดีไม่หลงตอนรู้ไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดีรู้มันมันไหลไม่ไหลตั้งมั่นพอดีรู้สิ่งผิดไอ้ไหลผิดพอรู้ว่าไหลถูกแล้วตั้งมั่นพอดีตอนไม่เป็นกลางคือยินดียินร้ายบ้างผิดรู้ว่าไม่เป็นกลางถูกพอดีเป็นกลางพอดีรู้ว่าเผลอตอนเผลอผิดตอนเผลอรู้พอดีรู้สิ่งผิดนะ สรุปแล้ววิธีทำคือรู้สิ่งผิดยังมีผิดอีกเยอะให้รู้ยังมีผิดอีกเยอะให้รู้ ม, รมีอะไรสงสัยไหมวันนี้จะไม่ลากจนดึกมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหมดแรงในการฟังทำสงสัยอะไรไหมถ้าไม่สงสัยจะให้พักพักไหมกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะบางทีเราทำจน ใจมันไหลไปหาจกิจกรรมนั้นจนลืมจนลืมดูกายลืมดูใจตอนอาจารย์ปุทําท่าแล้วเราทําตามนะโอ้โหทําไมก็ตัวอ่อนจังนั่นทำไม่ได้พยายามเหยียดมือไปจับขาอาจารย์นี่เอามือนี่อ้อมไปถึงอุ้งเท้าได้เลยนะบางคนเนี่ยอ๋อยากจะต่อมือตัวเองให้ยาวๆจับปลายเท้าอย่างยากเลย ขณะนั้นจิตไปเป็นยังไงไม่รู้เลยกายเป็นยังไงไม่รู้เลยรู้แต่ว่าทําไมเขาทาได้ทําไมฉันทําไม่ได้โอ้ปวดเมื่อยจังเลยตึงมากเลยอะไรเงี้ยเวทนาเกิดขึ้นกับกายก็ไม่รู้เรามักจะไหลไปในกิจกรรมต่างๆลืมดูกายลืมดูใจตัวเองถ้าเรารู้จักเทคนิค ต, ตรงนี้แล้วนะว่าแค่รู้เท่านั้นเองแค่รู้หันมาใส่ใจตรงนี้นิดหนึ่งแง่ แงมาดูหน่อยนึงไม่ใช่แงดูแต่ครูแงะดูแต่ผู้นำอะไรเงี้ยไม่ใช่แงะมาดูจิตตัวเองดูกายตัวเองบ้างก็ได้เห็นกายเคลื่อนไหวไปเห็นจิตตัวเองเคลื่อนไหวด้วยทํางานไปด้วยกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตจึงไม่เป็นเครื่องปิดกั้นในการเจริญสติเว้นแต่ตอนที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นเองและตอนที่ทํางานที่ต้องคิดเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ได้คิดในงานตลอดเวลาพอมันไหลไป อังอื่นก็รู้ทันอาศัยงานนั้นเป็นวิหารธรรมก็ได้ใครตอนทำโยคะแล้วรู้กายบ้างมีไหมมีไหมเห็นเวทนาไหมแต่ตอนตอนตึงนี่มันจะมีเวทนาทางกายอ่ตึงจังเลยไม่ชอบมีทุกทางใจให้รู้ทุกทางใจเห็นก็ทำได้และฉันต้องทำให้ได้ด้วยเกิดมานะรู้มานะมันมีอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่เรื่อยๆฉันจะ ฉันทำได้และฉันจะทำโชว์ ม, มีการสร้างหมูกระดาษ <laughs> ไม่ว่าให้มันมีมันมีอยู่แล้วแล้วก็รู้ทันมีอยู่แล้วก็รู้ทันไม่ปฏิเสธว่ามันไม่มีถ้าปฏิเสธไม่มีการพัฒนาสติไม่รู้เลยแล้วแถมยังมีอะไรอะโมหะด้วย <laughs> ปฏิเสธตัวเองมีความโมหะไม่รู้ตัว ทุกกิจกรรมนั่นแหละนะกินข้าวกินข้าวมีหมูกระดาษได้ไหมได้เดินไปกับบ้านไม่ใช่กลับห้องพักมีหมูกระดาษได้ไหมได้นั่งอยู่นี่ยังมีได้เลยอืใช่ไหมฉันจะนั่งโชว์ให้มันตรงตรงอย่าเงี้ยไม่ได้ฉันจะเสียฟอร์มไม่ได้ไอ้ฟอร์มนี่แหละหมูกระดาษแต่นั่งตรงได้ไหมตรงได้แล้วควรนั่งด้วยใช่ไหมนั่งเอียงมันก็เสียดลเสียศูนย์แต่ถ้ามีหมูกระดาษขึ้นมาให้รู้ทัน แลน้นั่งตรงต่อไปเข้าใจนั่งตรงต่อไปแต่ไม่ใช่ตรงเพื่อสร้างตัวตนนะแต่ตรงเพราะว่านั่งอย่างนี้มันถูกสุขลักษณะพอรู้เหตุผลและวทำใช้ได้เอาละมั้งพอสมควรเนาะคงเป็นครั้งสุดท้ายของคอร์สนี้พรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมที่จะต้องไปฟังหลวงพ่อที่สวนสันติธรรม เรามาครั้งนี้เรามาครั้งนี้เนะี่ยเป็นเพียงแค่มาให้รู้วิธีไปทำไม่ใช่ว่าจบคอร์สแล้วชั้นรู้แล้วสบายแล้วแล้วก็ภูมิใจว่าฉันได้เข้าคอร์สไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเข้าคอร์สเพื่อที่จะรู้วิธีปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ต่อเอาไปใช้คือเอาไปรู้ต่อนะเอาไปรู้ต่อแล้วไม่มีใครบังคับ ไม่มีใครไปตามจี้ว่าคุณรู้หรือยังคุณรู้หรือยังต้องไปดูตัวเองแงะมาดูสิไม่มีใครมาคอยจี้เนาะแงะมาดูหน่อยแงะเองต้องไปแงะเองนะถ้ามาเข้าคอรรู้แล้วไม่เอาไปทาต่อไม่ฉลาด <laughs> ไม่ฉลาดชาตินี้ชาตินี้เป็นชาติที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เกิดมา ทำไมต้องบอกว่าชาตินี้สําคัญที่สุดเพราะมันพิสูจน์อยู่แล้วว่าชาติก่อนๆนี้เรายังไม่ได้ทําเต็มที่หรือไม่ได้ทําเลยมันจึงมาเกิดในชาตินี้อีกใช่ไหมชาติก่อนๆเนี่ยจะเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้่แต่ชาตินี้ต้องมาเรียนใหม่ชาติก่อนๆจะฝึกสติบ้างหรือเ่าก็ไม่รู้แต่ชาตินี้ยังไม่มีสติเลยฝึกใหม่เพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติสําคัญที่สุดชาติที่อดีตที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว ใช่อะไรไม่ได้แล้วเพียงแต่พอจะรู้ได้ว่ามันยังไม่พอจะทำอะไรก็แล้วแต่ยังไม่พอจึงต้องมีชาตินี้มาทำอีกชาติหน้ายังไม่เกิดถ้ารอว่าชาติหน้าทำชาติหน้าก็จะรอต่อเพราะมันคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคิดอย่างเงี้ยเอาไว้เอาไว้ก่อนยังไม่ทาเอาไว้ก่อนยังไม่ทำมันคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วหลายชาติแล้ว ชาตินี้เวลาเจอคำสอนนี้อีกถ้าคิดอย่างนี้อีกต่อให้ไปเจอพระศรีอารก็คิดอย่างนี้อีกมันเป็นนิสัยสั่งสมไม่ใช่ว่ามีพระพุทธเจ้ามาองคหนึ่งแล้วจะกวาดเอาสัตว์โลกไปสู่พระนิพพานได้ทุกตัวทุกชีวิตเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวแต่ละชีวิตเนี่ยไม่พร้อมพอที่จะติดตามไปสู่พระนิพพานได้เราต้องสร้างความพร้อมอันนั้น แล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจึงจะทำเพราะว่าองค์นี้สอนเรื่องนี้องค์หน้าก็สอนเรื่องนี้แหละถ้าองค์นี้สอนเรื่องนี้อยู่ไม่ทำองค์หน้าสอนเรื่องนี้อีกก็คิดเหมือนเดิมเข้าใจไหข้อมูลเดิมแล้วเราก็ปฏิเสธไปแล้วมีข้อมูลมหมกครั้งเราก็ปฏิเสธอีกแบบเดิมหลงไหลในเรื่องนี้ก็หลงเหมือนเดิมติดใจเรื่องนี้ก็ติดใจเหมือนเดิม นิสัยอย่างนี้ก็นิสัยเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเหมือนพระองค์คุลิมาเนี่ยนิสัยโหดร้ายก็โหดร้ายเหมือนเดิมนะ <g ül> นิสัยอย่างนี้มาเรื่อยเรยนะเจ้าเคียดเจ้าแค้นอย่างพระเทวทัตนี้นะก็เป็นอย่างนี้มานานละเป็นอย่างนี้มานานเราถ้ายังประมาทอยู่นะมันก็มีนิสัยอย่างนี้ตอบอีกก่น <g ül> นิสัยประมาทต่อไปอีกนั้นชาตินี้เป็นชาติสําคัญที่สุดนะรับรู้วิธี ที่จะพ้นทุกได้แล้วเอาไปทําให้เต็มที่เต็มตามสติปัญญาของแต่ละคนได้เท่าไหร่เอาให้เต็มที่เต็มที่เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระเจ้าให้มากที่สุดพระุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้อยู่บ่อยๆกับเนี่ยนับเวลานับปีไม่ท้วนเนยนะมีพระเจ้าตรัสรู้มากที่สุดก็เพียง5องค์เท่านั้นเองแล้วเวลาสมมติว่าเวลา 100% นเนี่ยนะ เวลาที่มีพระเจ้าเนี่ยไม่ถึง 5% ้าปอร์ซไม่ถึง 5% ้าปซมีถึงห้าพระองค์ก็จริงแต่เวลาโลกนี้จนโลกแตกเนี่ยเวลาไม่ถึงห้าเปอร์เซเวลานอกจากนั้นเนี่ยที่ไร้ซึ่งพระพุทธะเนี่ยอยู่เยอะเลยเราเกิดในยุคที่มีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ดีที่สุดแล้วนะอย่าปล่อยให้เวลาในชาตินี้ผ่านไปโดยที่เรา ไม่ได้ประโยชน์จากการตัดสุดของพระพุทธองค์เลยฉะ น, นั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะใช้เวลาในชาตินี้ให้เต็มที่ให้ได้ประโยชน์จากการตัดสุดของพทุทธเจ้าให้มากที่สุดขอให้การเข้าคอร์สครั้งนี้เป็นจุดกระตุ้นให้เราได้มีความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจซึ่งเป็นผลให้เราได้มีสติปัญญา พ, พ้นทุกข์ทั่วกันทุกท่านทุกคนขอจเจริญพร มีซีดีใครยังไม่ได้เสียงอ่านอาตมาเองแต่ไม่ใช่ธรรมะของอาตมานะเป็นธรรมะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชชีวิตนี้น้อยนักเคยได้ยินไหมหนังสือเล่มนี้เป็นที่แพร่หลายแต่บางคนก็ได้รับแจกแต่ไม่อ่านใช่ไหมอาตมาอาสาอ่านให้ฟังบันทึกลงในซ d ดีถ้าอ่านให้ฟังแล้วยังไม่ฟังอีกก็ ห้ามเอาไปห้อยท้ายช้างหรือไปห้อยท้ายรถยนต์นะเอาไปใส่เครื่องแล้วก็ฟังด้วยใครยังไม่ได้รับมารับได้ อ, อาจารย์พัฒนาจะมีอะไรนัดหมายไหมให้แจกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรนัดหมายจะเป็นปัจจัยฝากคุณสุเมธมารับแทนทีเป็นวิยาวัจการหน่อยสาธุอนโมตนานะขอมอบปัจจัยนี้ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมเรียนรู้กายใจลมลมชมรมนี้มีประโยชน์ขอร่วมบุญด้วยยังงกบุญอยู่นะข า, า ย, ย, ยอนุโมทนาด้วยคนนั้นก็ได้บุญด้วย<ร>แล้วแต่นะสร้างศาลาด้วยก็ได้ดีศาลาเป็นถาวรวัตถุ เป็นพระ เ, เจ้าสรรเสริญว่าในบรรดาอามิสถานถาววัตถุเป็นเป็นเลิศเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเข้าไปใช้แต่ละครั้งเนี่ยเราได้บุญทุกครั้งเลยถวายอาหารเครื่องดื่มเลยเนี่ยนะดื่มปุ๊บตรงนี้หมดแหละเป็นได้บุญเฉพาะตรงนี้แต่สร้างอาคารนะใครมาใช้ก็ได้ใครมาใช้ก็ได้ เราก็ได้ตลอดเลยเรียกว่าเก็บอยู่เรื่อยเก็บอยู่เรื่อยแต่อาคารยังไม่เสร็ จ, จเจริญสติไปนะไม่ใช่มวลรอบุญอาคารอย่างเดียวบุญอย่างอื่นมีอีกนะบุญจเจริญสติด้วยนะอาจารย์รัจองตามอบปัจจที่เราทำใให้ร่วมบุญอดาสาธุครับหมดอนโมตนาด้วย ขอบใจที่อุตส่าห์ให้พระได้มีโอกาสทำบุญอมอบถวายปัจจัยมาพระเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ทางานหาเงินได้ใช่ห ม, มก็ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ถ่ายทอดคาสอนพยายามถ่ายทอดซื่อที่สุดที่ซื่อได้เนี่ยนะก็ถ่ายไปแล้วเนี่ยโยมถวายปัจจัยมาก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญต่อปัจจัยทั้งหลายก็ได้จากโยมนั่นแหละ ปัจจัยที่เป็นอาหารเครื่องลงหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่างๆนีก็ได้มาจากโยมถ้ามันขาดแคลนชีวิตของพระก็อยู่ยากการปฏิบัติก็อยู่ยากทำยากถ้าได้การสนับสนุนจากญาติโยมโยมเองก็ได้บุญด้วยพระเองก็มีกำลังต่อแล้วมีกำลังมากแล้วก็เผื่อแผ่ต่อได้ด้วยอนุโมทนาทั้งผู้ให้เบื้องต้นและผู้ให้เบื้องสอง <laughs> ไข่นมตนานได้เบื้องสาม